ต่อไปนี้เป็นคำบูชาพระรักณรไตโยโซภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธอิเมหิสการหิตังภะควันตังอภิปูชยามิโยโซ ส, สวัคคาโตภขควตาธรรมโม อิเมหิสการะหิตังธรรมังอภิปูชยามิโยโสสุปติปันโนภะควโตสาวกสังโขอิเมหิสการะหิตัสังขังอภิปูชยามิ แล้วกล่าวคำนมัสการพระรัตนตรยัยอะระหังสัมมาสัมพุทธโผขวาพุทธังพัคขวันตังอภิวาเทมิกราบสวักขาโตพัคขวตาธรรมโม หัมมังนมัสสามิกราบสุปติปนโนภะคะวะโตสาวกสังคโฆสังฆนมามิกราบต่อไปจะเป็นคำนมัสการพระพุทธเจา้า นาโมตัสสะพระขวัติอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะน a โมตัสสะพระขติอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระขวติอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะ ต่อไปจะเป็นคำน้มสการพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังคคุณอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตะโรปุริสัรรมมสารติสัทธาเทวมนุษยานังพุทธ โอภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะณียโกปัจจตังเวทิตัาโพวินยูหิติ ส, binary, ad, สุปปติป <ients> ันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปปติปันโนภควะโตสาวกสังโฆยายะปปติปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปปติปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัทะปุริสปุขลาเอสสะภะกะวะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีกะระนิโยอนุตตะรังปุญญกเฮตังโลกาสาติ